คาถาที่25่ห้ว่าไปพารานสีนี่ตรงไหนต้องไปคิดถึงพระปัจเจกพรพุทธเจ้าให้เยอะๆหน่อยว่ารายละเอียดพารานสีพารานสีฉะนั้นเลยเพราะว่าถือว่าพารานสีเป็นเมืองหลวงของอินเดียโบราณเนี่ยเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่มากพระเจ้าในกรุงพารานสีพระราชาพระนามว่าวิภูสกะพรมทัตเสวยข้าวยาคูคือข้าวต้มหรือพระกยอาหารแต่เช้าตรู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 เสร็จแล้วครั้งนั้นพระองค์ก็ยังตกแต่งไม่เสร็จเลยถึงทรงอ่าเราียกว่าก็ทรงพกพระพเสียยด้วผืนผ้าเสร็จแล้วก็เข้าไปที่บรรทมกลางวนะันเเสวยเสร็จชันสเสวยเสร็จนอนข่อนดีกว่าก็เลยลุกขึ้นกระทําอย่างนั้นอีกก็ไปแต่งตัวใหม่เนี่ยนะพอพักผ่อนตื่นมาสเสวยเสร็จพักผ่อนเรียบร้อยนอนนอนเสร็จก็เอาไปแต่งตัวใหม่ อาทิตย์ก็ดับนะแต่งตั้งแต่เที่ยงเลยนะแต่บายบายเลยนะจนค่ำอีกก็แต่งยังไม่เสร็จวันที่สองก็อย่างนี้อีกวันที่สามก็อย่างนี้อีกใครขนาดนี้บ้างเนอะยุคเราเนี่ยแต่งตัวกันขนาดนี้นะแต่งแล้วรอแล้วรออีกนะหลายคนสามีบางคนโบนจริงๆมันจะแต่งอะไรก็ตนาขนาดนั้นรอก็ไม่มาสักทีเลยนะแต่งเงินนั่นแหละพังก็วันที่หนึ่งก็แล้ววันที่สองก็แล้ว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 แล้วก็เบื่อเต็มทีแล้วว่าไอ้ตัวโลภนี่แหละไอ้ตัวที่ติดใจในเครื่องประดับนี่แหละจะทําให้ตกนรกเกิดเป็นปรายเปรอะเรกายและเดรฉ า, านทั้งหลายดูนกกระยางนี่แต่งตัวถ้าขาวโพลนหมดเลยไ<ม>งนี่ก็เลยเห็นโทษแล้วไม่เอาละแต่งถ้าแต่งงามจริงๆก็เท่านกยุงแหละเคเห็นนกยุงไหมแต่งถ้าลวดลายวิจิตพิสดารเหลือเกินเนี่ยแต่งอย่างมากก็แต่งได้เท่านกยุงอ่ะนะรำแพนแล้วก็งามเมาในลีลาของตัวเองอีกนั่นแหละทั้งก็ ถ้าเราแต่งยังไงก็สู้เดรัชชานไม่ได้ในชะ่ไหมยิ่งแต่งมันก็ยิ่งในที่สุดไปไหนเราโอ้ยเอาเธอเอาเธอพอแล้วข่มความโลภดีกว่าสละราชสมบัติบวชอนะไรอยเงยแต่งตัวจนบวชอนะไไม่ไหวแล้วอนะั่างเง้ยคือคนที่มีอุปนิสัยเนี่ยแต่งตัวยังสังเวชเลยคิดดูขอให้มีอุปนิสัยมีทยทญาสายขอให้สั่งสมบุญให้ดีเธอเนะนี่ยนะอินทรีย์บารมีแก่กล้าไปอยู่ตรงไหนก็พร้อมที่จะบรรลุได้นี้ขนาดแต่งตัวก็ยังออกบวชได้เลยนะคนอื่นแต่งรู้แต่งเท่าไหร่ก็ยังเฉ ย, ย่ั้น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 เว้นจากฐานะแห่งการประดับก็คือการประดับของคารวาสกับการประดับของบรรปะชิตเน่อย่างที่ว่าพระไม่แต่งตัวนะในนี่นอะไรเนยคารวาสประดับก็คืออะไรประดับผ้าสาดกผ้าโพกดอกไม้ของหอมเป็นต้นส่วนเครื่องประดับของบรนประชิตก็มวัวแต่แ ต, แตแ่งบาดอยู่นั่นแหละถักถลกบาดเป็นเดือนเดือนในเสดสักทีถักรื้อถักถักรื้ออยู่นั่นแหละแต่งขาบาดเล้าทั้งเล้าถักเล้าทําเจ็บนะก็ไม่ถูกใจเอาใหม่ อยู่นั่นแหละบางทีโอยอะไรนะสลอกบาดกับขาบาดเนเป็นเดือนเดือนไม่เสร็จซักทีเนี่ยนะบอกโอ้ยแล้วใครไปชมใครใครจะไปดูของใครกันนักกันนานาะงั้นพวกนี้เรียก อ, อะไรนะถ้าเราพูดอย่างนี้บอพวกไม่มีรสนิยมพวกนะั้นและแต่จะเรียกเธอวนะ่างั้นในจูลนิเทศอธิบายว่าพระประเจกสัมพุทธเจ้าไม่ทำความพอใจในการเล่นความยินดีและกามมัสุขในโลก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 รูปที่พึงรู้แจ้งด้วยตาอันห น, น้าปรารถนาหน้าใคร่น้าพอใจ น, น่ารักยั่วยวนชวนให้กำหนัดเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสที่เพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นโพธาภะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายอันหน้าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำหนัดดูการพิสูุทั้งหลายการมคุณห้าประการนี้แหลดูการพิสูุทั้งหลาย สุขโสมนัสใดาอาศัยการมมคุณ5ประการนี้เกิดขึ้นสุขโสมนัสนี้เรียกว่าการมาสุขเ mm hmm. นี่ย น, นะพระประเจขผู้เทเจ้านี้ท่านบอกว่าไม่พอใจในการมาสุขเนี่ย น, นะก็คำว่าไม่พอใจไม่ใช่แปลว่าโกรธนะแปลว่าเห็นโทษของการมาสุขทั้งหลายก็ไม่ทําความพอใจในการมาสุขก็คือไม่ทําความพอใจไม่อะไรก็คือไม่ทําความพอใจซึ่งการเล่นการยินดีในการมาสุขในโลก เป็นผู้ไม่มีอะไรคือละบันเทาทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีเรียกว่าไม่ทําความพอใจไม่มีอะไรเกี่ยวกับเครื่องประดับเนี่ยมาดูเครื่องประดับก่อเครื่องประดับของเครือขัดกั บ, บเครื่องประดับของบรรปะชิตเครื่องประดับของครือขัดเป็นยังไงก็บอกว่า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 พัดขนสัตว์ผ้าขาวผ้ามีชายยาวเครื่องประดับดังกล่าวมาเรียกว่าเครื่องประดับของครือหัดเนี่ยนะโอ้โลกของเครื่องประดับวิจิตอลังตาลอยเงี้ยส่วนเครื่องประดับของบรรดาชิตบ้างล่ะประดับจีวรประดับบาทประดับเสนาสนะประดับตบประดับตกแต่งเนี่ยนะก็แต่งกุฏิซะจนโอ้โหวางมากนะแต่งกุฏิแต่งแล้วแต่งเองนั่นแหละตบแต่งการเล่นเล่นรอบกำหนัดเพลิดเพลินพลิกแปลงเป็นผู้พลิกแปลงซึ่ง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 แกเป็นนักหลอกลวงมากเลยนะก็ไปเที่ยวหลอกหลอกลอกอกว่าว่าไปหลอกโดยเฉพาะหลอกผู้หญิงนะครเป็นผู้ชายเที่ยวหลอกผู้หญิงแล้วก็แต่งตัวแต่งงานไปเรื่อยไปเรื่อยปลอกล อ, อกเขาหมดตัวก็แต่งใหม่ปลอกล อ, อกหมดตัวก็แต่งใหม่จนในที่สุดก็ผู้หญิงคนสุดท้ายก็ฟ้องถูกจับถูกจับเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ที่ไปสอบสวนก็ถามไอ้ครั้งแรกนี้คุณชื่ออะไรบอกจำไม่ได้แล้วเปลี่ยนชื่อซะจนตัวเองเนี่ยจำตัวเองไม่ได้แล้วแทบจะรู้ว่าตัวเองเป็นใครมาแล้วนะเพราะมันมันสร้างเรื่องมันหลอกลวงเนี่ยนะปลอกลอกคนอื่นไปเยอะเนี่ยนะ จนจนคนสุดท้ายเนี่ยเขาฟ้องร้องอ่ะนะฟ้องร้องก็เลยเข้าคุกเลยนี่ครบางคนเนี่ยคำสัตว์มันไม่ต่อคําสัตว์เลยนะก่อนก็อย่างหนึ่งเช้าก็อย่างเย็นก็อย่างหนึ่งว่าโอ้บอกว่าใครที่พูดคำไม่เป็นสัตวนะ์เนี่ยพยายามอย่าพูดตามเด็ดขาดพูดตามอะไรก็เสียคนเลยมันก็พัน้นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นาพระพเจก้กับพุทธเจ้าเป็นผู้พูดจริงเชื่อมคําสัตว์กับคําสัตว์มีถ้อยคําเป็น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 มันก็ต้องพูดเป็นอ่ะนะเพราะว่าองค์ของสัมมาวาจามีอีกเรื่อว่าพูดถูกการพูดถูกสถานที่อ่ะนะเวลาไหนเหมาะสมกัมไม่เหมาะสมสถานที่ที่ไหนแล้วควรพูดกับใครพูดว่ายอย่างไรแล้ววิธีการพูดอันนี้ก็คือองค์ประกอบของการใช้คําจริงแต่ถ้าพูดจริงโดยที่ไม่มีองค์ประกอบสัจจังเวอมตะวาจาเนี่ยเพรความจริงเนี่ยถ้าฟังแล้วเนี่ยจะทําให้ถึงความพ้นจากความตายใช่ไหม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 เวน้นทั่วงดเวน้นออกไปสลัดไปหลุดพ้นพรากไปจากฐานะแห่งเครื่องประดับมีจิตใจปราศจากเหตแดนก็เพราะว่าไม่มีอะไรน่นนะตรัสรู้ธรรมเป็นที่เพิกถอนแห่งอะไรสรุปว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไม่ทําความพอใจซึ่งการเล่นความยินดีและการมาสุขในโลกไม่อาลัยเว้นจากฐานะแห่งเครื่องประดับเป็นผู้ผู้จริงพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหน่อแรกฉะนั้นนั่นก็บรรลุอีกองค์หนึ่ง